พอเริ่มต้นก็บอกให้หันปียิ้มกับคนข้างๆชาวพุทธต้องเบิกบานนะอย่าไปวาดภาพว่าชาวพุทธจะต้องซึมๆึมเครียดเครียดเข้าใจผิดแล้วถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ๆใจของเราฝึกอบรมมาดีเนะี่ใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีความสุขมันมีความอิ่มเอิบจากภายในนะความมีเมิบจากภายในนะมันล้นออกมามันใช้ออกมา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 อย่างความสุขในทางโลกเนี่มันจะของชั่วคราวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเ ข, าา<า>ข้าไปแต่ถ้าเมื่อไร่เราเข้าใจถึงความสุขในทางธรรมแล้าจะรู้เลยว่ามันมีความสุขอยู่ทั้งวันมีความสุขอยู่ทั้งคืนเนะศรษฐกิจไม่ดีก็ยังมีความสุขนะ <S 2> <S 2> <S 2> ร่างกายเจ็บป่วยก็ยังมีความสุขทําไมมีความสุขอยู่ได้มีความสุขอยู่ได้เพราะไม่ยึดถือกายยึดถือใจทำํำยังไงถึงจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจได้ต้องมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจ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 แต่ก็มีคนทําได้เรื่อยๆนะมีทยอยทยอยทำได้เรื่อยๆเริ่มเห็นแล้วไม่มีเราอะ่ะนะค่อยๆฝึกเอามันยากเพราะว่าเราไม่รู้หลักถ้ารู้หลักแล้วไม่ยากเท่าไหร่หรอกมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้ไปเรื่อยๆเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจิตก็ยอมรับความจริงจิตน่นเป็นของดื้อยอมรับความจริงยากนะยอมรับว่าตัวเราไม่มีเนี่ยยอมยากที่สุดเลยเพราะมันรักตัวเอง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 ขอบคุณหลวงพ่อคะ่ะที่เห็นชอบนะค ะ, ะเชิญคุณพี่เสื้อขาวคะ่ะยืนขึ้นแล้วพูดดังๆนะคะเนื่องจากไม่อาจจะไปไม่ถึงคะ่ะต่างกันนะปัญญาจากการฟังปัญญาจากการคิดจริงๆเป็นปัญญาจากการคิดด้วยกันอะอย่างเวลาที่เราฟังสังเกตไม่เราฟังแล้วเราก็ต้องคิดสลับกันไป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 จิตโดยตัวเขามันเองไม่มีความโกรธเพราะจิตเป็นธรรมชาติรู้ทาไมจิตมีความโกรธขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีความโกรธมาเติมลงไปในจิตแต่ถ้าเรามีสติดีๆนั้นะเราจะเห็นเลยความโกรธผ่านมาแล้วพอรู้ทันนะความโกรธสลายไปไม่มีอะไรเติมลงไปในจิตค่ะอ่ะพี่พี่ผู้หญิงก่อนนะคะค่ะเสียงดงัดงๆนิดนึงนะคะหนึ่งคำถามนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะ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 โอเคจบนะคะทางด้านนี้มีใครจะตั้งคำถามไหมคะเชิญค่ะเสียงดังๆนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ทีละแถวนะคะไล่ทีละแถวค่ะการพิจารณาดูกายอะค่ะอยากจะขอไม่ดูเวทนาก็ส่วนเวทนาสิดูกายก็ส่วนกายอย่างถ้าถนัดดูเวทนานะเราก็นั่งสมาธิไป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 ปฏิบัติในการที่จะรักพวกนี้ฮะทําอะไรนะส่วนใหญ่จิดในการมาสุขคือฟังชอบฟังเสียงเพลงชอบอะไรก็อค่อยรู้ไปจิตมีความสุขก็คอยรู้นะแล้วเราจะเห็นเลยว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวสั้นนิดเดียวะพอเห็นบ่อยๆนะเราจะรู้ว่าโอ้โหเที่ยวหาการรมมาสุขแทบแย่เลยพอได้มานะเสพได้นิดเดียวก็หายไปแล้ะ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 นัมรสการท่านอาจารย์นะคะคืออยากจ ะ, ะทราบว่าอย่างกรณีที่ตัวเองนะฮะเดินไปแล้วก็เจอคนคนหนึ่งที่ว่าเคยเรียกว่าอะไรตอนนี้ใจสัน <c oughs> <c oughs> ่นเต้นค่ะคือไปไปทบุญที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็ได้ไปเจอลูกน้องเก่านะฮะที่เขาเคยเบิรเงินไปบอกว่า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 อ๋อแค่นั้นเองใช่ไแค่นั้นเองคือวิปัสสนาค่ะแถวที่สามมีแมคะเชิญคะ่ะ<ม>พี่พี่ผู้หญิงลุกเลยนะคะหนึ่งคำถามเพื่อส่วนรวมนะคะขออนุญาตย้ําอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่คะ่ะพี่ขาเสื้อม่วงคะ่ะแถวที่สามนะคะมนมาส ก, การวาาอจารย์ค่ะขอถามว่าบางครั้งเออเมื่อไม่นามา น, นี้ภาวนาแล้วอยู่อยู่มันก็มีความคิดมัน ม, มีมีความสึกขึ้นมาว่า อะไรอมันก็ไม่ไม่สามารถผ่านกฎตายรักได้อันนี้มันเป็นความคิดหรือปัญญาที่เราเกิดยังคิดอยู่นอยังคิดอยู่ใจเรยังไม่หลุดออกมาอื้วแล้วแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ไงว่าเออถ้ามันถ้ามันรู้ด้วยปัญญาเนี่ยมันจะปล่อยวางค่ะใจมันจะโล่งขึ้นมาละวางขาแถวสุดท้ายมีไหมคะพี่ที่ยกมือพี่ที่ยกมือก่อนนะคะขาเชิญค่ะเออับ พระอาจารย์นะคะคือสงสัยอย่างหนึ่งคือพอดเพิ่งศึกษาศาสนาพุทธได้ปีกว่าค่ะสงสัยว่าหลักศาสนาพุทธเนี่ยจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคืออันนี้มันก็กึ่งส่วนตัวกึ่งสังคมนะคะอย่างลูกชายอะวางของเอาไว้นะคะตรงประตูบ้านแล้วก็บอกให้ลูกเขา ย, ย้ายของออกลูกก็บอกว่าทำไมแม่ไม่เดินอ้อมไปล่ะคือเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะ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 แถวแถวอาเช่นค่ะค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าออยากให้หลวงพ่ออธิบายวิธีการสังเกตตัวเองหรือว่าวิธีการตรวจตอบว่าเราภาวนาเนี่ยเข้าที่เข้าทางอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วดูง่ายๆนะว่ายังเผลอไปเรารู้ได้เร็วขึ้นไหมหรือเผลอที่ละวันนะเผลอแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะยิ่งเผลอบ่อยยิ่งเก่งอะตัวที่หนึ่งนะสติเกิดใบ่อยไหม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 หาอารมณ์ที่มันเป็นกุศลเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้าหรือฟังซีดีหลวงพ่อไปเนี่ยนะอ่านหนังสือไปคิดถึงความตายไปยุคนี้ไขหวัดระบาดเห็นไหมไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากาจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรเนะี่ยคิดถึงความตายจิตใจก็สงบขึ้นมาทำอะไรก็ได้ที่มันจิตแล้วมันเป็นกุศลนะค่ะขออนุญาตเป็นคาถามจาก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 ถูกต้องดูดูถูกเนียครับแปลกแปลว่าอะไรอ่ ะ, อะดูจิตกับคือการดูไม่ใช่การทำไม่ใช่<ำ>ไม่ไม่ใช่ทำอะไรไม่ใช่ดูดีโอดูนะใช่ครับดูคือการที่เข้าไปเห็นสภาวะที่กาลังปรากฏเราเรียกคำว่าดูปไปงลนะ้ะแต่คำที่ตรงๆนะคือคำว่าเห็นคำว่าวิปัสสนานะปัสสนะคือการเห็นเราพูดว่าดูจิตดูจิตจริ ง, รงๆเห็นนะเห็นจิต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 อภิวาทนาสีลิสนิจังอุทถาปจายโนจัตตารโรธรมมาวัฒนตีอายุวันโนสุขขังพะลัง